ทุกกรรมฐานมันดีทุกอันนะมันขึ้นอยู่กับพ่อภาวนา่าอยู่เรื่อยึอยู่กับพ้ออว่านาเนืองนองมัเป็นบุญมัดบุญภาวนา่น่าท่านละไมซีละไม่พว่าน่าไม่กรรมฐานทีผอมาเนี่ยคำพี่พุติมักนอกไปจากว่าฮับประมันว่าไม่ได้แร่งฮับประมาณได้กรรมฐานทั้งหลายย่นลงมาใน มีปัชนากรรมฐานก็มีสมถะกรรมฐานมีปัชนากรรมฐานเท่านั้นยมาเป็นสองกรรมฐานจีมิตรานลั่โกกระางย่นลงมาในสมถะเามีปรัชนาเท่านั้นที่มิตราันตรโกกระางก็ลูกย่นลงมาในลูกกรรมฐานน้ากรรมฐานทานพิจาหน้าลูกเป็นอารมณ์เเรียกว่าลูกกรรมฐานพิจะน้าน้าเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าหน้ามกรรมฐาน ดูคำน้ำมือไตอำนาจอันนี้จังเกิดึปลปล้นแรภัยบวนั่แต่สลายโง่ามากนี่ไปวนอื่นเมื่อไรที่ไปโหันปันเอ๊ะกษัริย์เขาโง่ลงมาหนี้ที่มีโอหานเทศอทนจะวดขึ้นทามือซอกกษัริย์กรรมฐานทั้งหลายโง่ปลงมาเกิดึ้นทรภัยผลนั่นแต่สลายหมดนี่พัฒนากรรมฐานกรรมฐานโดยพัฒนาปัญญาความรับรูร้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาสิ้นสมาธิปัญญาเรียากว่าสิกขา สิขาสามที่คิดต่อสิขาสิขาคือคิดยิ่งสินสิขาสิกขาคือคิดยิ่งคือสินยิ่งปัญญาสิกขาสิขาคือปัญญายิ่งสินสมาสีปัญญาเป็นสิกขาสิกขาเนี่ย ไม้กวางกว้างเขาซิขาบดซิขาบดน่ไมเอาเฉพาะบดหนึ่งเื่อเป็นต้นมะปราราชิกซี่งของไม้เอาบทบทเป่ป็นบดเพ่อเ่ป็นต้นมะประาราชีปาตาเวงสิมม่งมเฉพาะแต่ปา ร, ราชิบาทไม้เฉพาะแต่อาฐินหน้าหรือกาเ ม, ม่เปี่นก่อไปขบานซิกขาน่ไม้ความมึงถึงสินทางที่ปัญญากบัดแปรมึงคี่พระธรรมาขันธ ชิ้นาเขาไม่ถูกในสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาเรวมกันว่าชิ้นาบมปัญญาเราลู่ตามเปนจริงของกอ ง, อ ง, องังฆ์เรียกว่าปัญญาหรือปรัชนาค่ะเรียกว่าปัญญารอบรู้วัดปัญญามันรอบรู้ทั้งสมถะอะไรปรัชนารอบรู้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันปัญญามันเป็นข้อหนามูอถ้ามันนไห้ชั้นได้ก็ต้องมีปัญญาเป็นข้อหนามัด ผู้มีปัญญาการรักษาทีั้นหาว่ได้ผู้มีปัญญาคัหายท่านว่าเปียนผู้มีปัญญารักษาสมาธิว่เป็ี่ยนสมาธิสั้นได้ก็คือการท่านสั้นไดก็คือกันปัญญาสั้นไดก็คือการแต้องมีปัญญาเป็นห้วนหางงสั้นต่เมื่อยัง็ต้องมีปัญญาไป็นห้วนหาปัญญาขับสมธิคือยู่งลำกันท้ายงไปแต่อนมีปัญญาไปนหวนามีสธิก็ปัญญาเปห้วนหา เห็นมันาต่ำสะดุดทังสี่กับมนสติกับปัญญาสัประยุกต์กันอยู่มันหัวจับทั้งสายทังขัวหัวจับทาแม่นทามอมแม่นกดีนี้ยหัจับงานสายงานไหวก็ดีมีจับมันติดต่ำสะดุดสุดต่อหรือ้ว่าติต่ำสะดุดสุดต่อก็ตามหัวจับมันขึ้นมันสั้นมันคอยป่งคอยว่างก็ดีหรือขวนกาบสานกาวเน่าก็ดีก็บมันสติกับมันปัญญามันพูกหัวจับกุชิรบลีกน้ากับมันสติกับมันปัญญาเปนพวหจับมาสั่น วัญหาจะเป็นหัวหน้าในธรรมทั้งหลายทุกประเภททั fuerte, Salut, ้งจะเป็นโลกขีดและโลกุตละสีแยกกันเมื่อไรขันศีลละเอียดสมาธิละเอียดกับปัญญากละเอียดศีลยาบสมาธิยาบปัญญายาบศีลเป็นโลกขีดสมาธิเขาเป็นโลกขีดปัญญากขเป็นโลกขีดศีลเป็นโลกคุตละสมาธิเขาเป็นโลกุตละปัญญากขเป็นโลกคุตละศีลพระสวสดาบัณฑ์ศีลพระธรทาข้ามีศีลพระอานาคามี สินพระรหันสินทั้งหลายเรานี่ยสีพระเหตเนี่ยสินพระปฏิเจกสินพระสม่าทั้งปุทธเก่าไม่ยิงไม่ยอนเขากันไปทั้งรับลงมาตลอดทั้งสมาธิตลอดทั้งปัญญาของสันนิลดีปตีเสมอกันารเมื่อไรพุทโชและผู้ลูกของมันกันพุทโชพระสวสดาบันพุทโชธัคข้าคามีพุทธโชพระอนาคามีพุทโธพระรหันพุทโชพระรหันเลี้ยนพุทธโชจบในสันสาวบอกแล้ว พุทธโธพระปฏิเกเรียนพุทโธโอจบแล้วเนี่ยสันพระปฏิเกพุทธโธเนียสัมมาสัพพุทธโสัมมาสัพพุทธเจ้ามันพุทโธทโธสันทีหนึ่งเย็นท่าันทีว่าพุทธะสีจ่จำพวกสัมมาสัพพุทธะจำพวกหนึ่งปฏิเกกับพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งว่าพุทธะสี่จำพวกนะมพวกมันยังไม่ยิ่งย้อนกั้งกันด้านปญัญญาอะไรอีกใ่ไหมธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกัน ดัปัญญาเล้วไหวก้ากกันมีอภินหารกว่ากั น, น, กกนส่วนบุญวัดสาก็ไม่ต่างกันส่วนธรรมะอันเดียวกันอุปมาคือเกลือมีรสเค็มอันเดียวกันอุปมาคือน้ำตาลมีรสหวานอันเดียวกันส่วนสิ่ดจีบหน่อยกินร้ายมันเป็นเรื่องของแต่ละละของบุคคลหลอกกันบนชัดบริวานก็ไม่คือกันแต่ว่าส่วนสิไม่หน่อยไม่ร้ายก็ตาก่างคำ จนถ้ามาอันเดียวกันถึงเอาปฏิบัติเพื่อสามวารมี้สนทุกนวตาสงสารปัญหามันม่หลายนลยปัญหาเขาไม่น่อยถ้าเอาปรัชนาเพื่อหลาบเพื่อยดเพื่อโดง่งเพื่อดังเพื่อเรียนเพ่อพอะไรซื้อรือน้ำอู่ผู้นึ่งพอไอ้สีผู้หนึ่งละเพื่อประสันขันแคร ไอซื้อเสียงในหลาบในอดในสาเสริปัญหาตลายเนี้ยถ้าปฏิวัติเกอดดวนนายถูกในวัฏสงสารปัญหาก็น้อยลงของสนตรวจผู้ห้องสังสาวกปุ้มปัญหาก็ไม่น้อยผู้ภสาพุสามพุทธภู้ปัญหาของคนก็มีมากเ็นต้องทุนหลาย โทษควมเหนี่ยวกทีข้อหมายต่างกันตีข้อหมายหลือก็กันพุทโทของพรปชมาสั้พุทธเจ้ากวางวาะสีมาหรือซัดออกจากวัดตาสงสามพุทโทษของสาวกหรือพุทโทของพระบาเกศก็คอให้ข่าพระเจ้าได้เป็นพระบาเกศเพราะว่าสีมาสร้ามวัดสองเถื่อไอดอกอะไรสั่งกันเข่าสูบพม่ได้พักผู้เดียวพุทธโทษพระบเกศพุทโทษพระนรันตาชีหน้าศพ กวงคือสร้างคัดส้อนผู้อื่นตามสถติกำลงังของตนวางค้นกบวบาบุ่นม่ไหวการสร้างคับซ้อนผู้ในเส่อมพะกลทันยาอ้างสิไม่เกิดอายเจ้าคนผู้เดียวเ ส, สื่อมรบป่าเราก็เข้าสู้พื่อคามาสาูเจ้าทาเสหาส้างซนผู้ไหนมันดีปแค่ไหนเนี่ยทางดีไปเนี่ยเดียวกันมีไปเนี่ย ว, ว่ามาเกิดแค่แ็บตาย ไ, ไม่ ม, มีหลบไม่มีคุ่นไม่มีหลงแต่ว่าดีไปเนี่ยเดียวกัน ควาั่วรลาบหน่อยหลายร้ายอันยุหน่อยอันยุ่ร้ายอย่่งตั้งกันอันะกรรมฐานได้ไรกส็สราย่งมาหวมร่มหาใจเข่าออกวัดร่มหาใจเขาออกไปหนวดกรรมฐานเพราอ้ท่ามพุทธศาสนาเนาแกเก็บตายกับมิุรรมหายใจเข่าออกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับมิจตุรรมหาใจเข่าออกก็มามานวัเที่ยงเกิดขึ้นแย่าแกเปล่านี่แต่สลาย ก็ไม่มีทุ่งร่มฮันจขอดินนาไฟร่มก็ไม่มีทุ่งรมฮันจขาอโกรบโกร๋งเก็ไม่มีทุกงรมฮันจขาอผู้พัาย่ามละโกรบละโกดละโกดละหก็ลม่มีทุ่งรมฮันจขาอผู้พ่นไปแล้วก็ไม่มีทุกรมฮันจขาอคือว่าอย่างไรสดอกบัวยึ่แต่น้าเาก็มีทุร่มฮัใจ่าอดอกบัวสมอหน้าเาไมมีทุรมฮัใจ่าอดอกบัวเป็นตุ่มเไม่มีทุ่งร่มฮัใจ่าอดอกบัวบานแล้วเขาไม่มีทุ่งร่มฮันจ่ายคอนะเหตุการณ์ร่มฮันจายคอเป็นกรรมฐานเลยน่า ศาสนะอื่นบ่มีนี่พระพุทธศาสนาสิ oh, no. <os> ่งเดียวพระพุทธเจ้ายังว่าเป็นมงกุของกรรมฐานทางหลายในพระพุทธศาสนาร่วตายกัไม่มีทุกลมหาใจคอก้มเผลอกมเงาก็ไม่มีทุกลมหายใจคอโลกโคตรหลงก็ไม่มีทุกลมหายใจอสิ่งสิบพระย่างหายโลกโคตรหลงบันท่อนร่องกัไม่มีทุกลมหายใจคอผู้พลอยมแล้วก็ไม่มีทุกลมหายใจคอผู้ตะเกียบตะกายยันพยกไม่มีทุกลมหาใจอ นั่งถึงมาสายใดมัดลินนั่งไฟร่องมันไม่ยืร่อหายใจเขาออกถ้าฟ้าเกิดไฟรับก็ไม่ทุกร่อหายใจเขาออกถ้าไฟมาเกิดมารับก็ไม่ทุกร่อหายใจเขาออกขัดจับทุกล่อขัจับร่อหายใจเขาออกได้แล้วเราเม่อตอนเขาใชในแต่โลกธานุร่องหายใจเขาขรังหนึงก็เห็นก็เกิดแก้แคบตายขณะชิทหนึ่งคือเห็นโลกรอบนึงคือนกันโลกเติบไปด้วยเกิดแก้แคบตายร่อหายใจเขารอบหนึ่งเห็นโลกรอบนึงขึ้นกัน ก็ขึ้นแบบแบวนันแต่สลางมีขมาอันเดียวการบดน่ะปรมาณทั้งอันเดียวยาอันเดียวใส่ใส่พันซองยดกับยดลงอาหารขยายขจัขยายออกจากหันสีนับตึ้งลอยก็สร้างขยายออกจากตัหนึ่งสีนับตึ้งหลอดโกตื้อติวเสียยวติวก็ตำนับออกไปจากหนึ่งคันทโค้งมากโค้งมากโค้งมากห้านึงเสือกเส้นเดียวน่ะ ขึงไปจนทั่วไตล่ลกระถางก็ตามาก็เสียกเสนเียที่โคงมากกว้งมัมเสียกเสนเดียวน่ะวมัต่อฟ้าหาประมาณอะไรของสอันอรรมสอนพระเจ้าสอนสีีผาภาษาจะเป็นขับสอนอันเดียวกันสอนนนั่นอุบายนั้นสอนคนนี้อุบายนี่สอ น, นสอนนุนันอุบายนี้แล้วมาลงมาร่วมกันว่ซื้อหรอกชากประแทกก็าโค้งมาสองเพื่อิหาว้นะเบื่อนายข้เมาห้พทุกข์นาตาทงสารนั่นเองพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สระงสงสของสันอรรด เขาจเห็นวัดข no like ึ like ้นหัวเ้านึ่งัดขึ้นหามหัวเ้าเรียนไหลผ่านนำไหลไฟดับกระทำคําสอนพระพุทธเจ้าสอนใหระบ่เป็นเพิ่มเพิ่มบุญเพนเพื่อนในทางพระศาสนาเพื่นหรบบ่เ่เพิุพ่นเพื่นในทางพะศาสนาเพอนรบบเพบุญารประทานเพียรไมให้บาปเกิดขึ้นสันดานมหาสประทานเพียรนับบาปที่เกิดขึ้นแล้วพมนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นสันดานอนุรักษณาประทาเพียรลดขากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไห้เสื่อม ความเพีสียางนี่เป็นความเพีชอบความปาะกอบให้มีในตนถ้าย่นลงมาก็เป็นสองคือระบาบมันเป็นบุญหนึ่ ง, งนั่นเศรมดขึ้นห้ อ, อมือเศ้าขมิ้ตบาวกบุญคัดกันนิ่งถ้ามาขนในผ้าอสัอรรถมิซาคำสอนของพุทธเจา้าเป็นมิซาสอนใออกโลกให้เบือ้อนายข่หม้าในวันตาทาาตั้งศาลานูู้ำมารไม่แก้กล้ามาเนี่ ผู้สามาลไม่เอาพระท่านมาแก้กากะแม้วังมนุษย์สมบัติหลังสวรรสมบัติหลังพมสมวัติอยู่นี่แล้วมนุษย์สมบัตกับบัดไปบัดมาอยู่สวรรค์สมบัติกับบัดไปบัดมาอยู่คาว่าโลกคําว่าโลกคำว่าความว่าลุจชีทีติแย่หุ่ยยยยยไปโลกกับทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันทุกข์กับโลกก็มีความหมายอันเดียวกันสังขารปรมารกขาทั้งขาเปนทุกอย่างยิ่งโลกมัทุกข์อย่างยิ่งอานิจจังมันทุกข์อย่างยิ่ง ชาติความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกอย่างยิง่งนี่เข้ามาอันเดียวกันสังขารที่มีใจทองแลไม่มีแใจคลองเขาเ้าไปทุกอย่างยิงย่งก็เป็นอนิจจังอย่างยิง่งก็เป็นทุก ข, ขังอย่างยิง่งก็เป็นอนัตตาอย่างยิง่งเมื่อพิจารณารามเป็นจริงอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างยิ่งเหมือนกันนั่นอันเดียวกันศีลฤกตโตเขาเมาอยู่หุ่นสมาธิเกิดฤกตโต เขาลงทรงเนาพี่ันหน้าเนี่ยใชเขาล่างสร้างพเมรตัวเดียวขันคือหนาครับตาน่ะเห็นหนาก็เห็นหนากันเยอแม่แเห็นตาพร้อมเห็นดั่งพร้อมนี่เห็นศีลเห็เห็นสมาธิวันหน้าขึ้นกันเห็นพระพุทธก็เห็นพระธาตุพระสงฆ์พร้อมกันนะพุทธเถ้าแก่พระูกนี้าต่อส่งอะไรซึงพรูสังฆเถ้าแกปฏิบัติพระลกส่วนารอมละส่วนธรรมดีวันนี้พุทธเถ แปลว่ารู้ล่าสัวทำดีทำโม่แปลว่างไหวซึ่งล่าสัวทำดีสังโค่แปลว่าปฏิบัติล่สัวทำนีแน่พุทธเถ้าโมสังโค่เขาเลยอยู่บันเดียวกันไม้สามเกี่ยวความกันพันเข่ายังไงหัวใจพูดธใจทําใจสงใจที่ต่าสูตรกับสูตรของใจกันสูตรซัวกับมันสูตรของใจสูตรดีกับมันสูตรของใจสูตรซัวแม่สูตรยังปาป้าสูตรเดี๋ยวสูตรของบา สูดีไหมเนาะคุณยสูต ร, ะตรจะเปสูตรไปสูตรด้วยวันกายยาสูตรว่าจีสูตรมโนสูตรยนละมา่าเขามีสูตรเดียวคือสูตรใจขันหายยนละม่าเป็นสองอะไรลูกขันหน้าขันพอไตรปิฎกยนละมาเป็นสามกายว่าใจใจยนละม่าเป็นสองกายกับใจยนละม่าเป็นหน่งใจ โยนาห์เป็นหาดซีอริยาัตซีอวนโวนามาเป็นซีโอนาหาเป็นหาดขันฮะลูกเอซ่าฉันยาสัญญาส้งคันเป็น้าน อ, อ, อ, อ, อ, อ, อันเก้าหันละอันขยายออกเฉอๆหรอกแวออกแพร่ออกอันเก้าหันละมันไม่ อ, มอันใหม่เอซ่าสมุสนันตโรพระธรรมของเก่าอะมือนี้ก็เป็นมือเก้ามันมือใหม่มือค่อยมันมือเก้าคอยมันคำมากเลยตะเม่ววาวัน สวัสดีปีใหม่ครับเพราะว่าเอาเนี่ยปีใหม่มาจะได้กับปีเข้ากันะว่าปีใหม่มาจะใกล้ตายกาย็ปีไกลอยู่ว่างเลยนัน่นกับปีเขา้าที่มันเคยล่วงมากนะ่ะนั่นสวัสดีปีใหม่นะสันเฮดดีนเฮดซัวกับ่มันสวัสดีครับครอบดีความซัวมาอยู่กับหม่มอยู่กับปีกับเดือนอยู่กับชีวิตใจเขาคนหดอือมีแต่มืมอกับแก่ขอ ง, ขางนานละ เมื่อวันเอกกาตีนเวะมีแต่มือกับสว่างควมดีควมซัวนอกจากใจว่ามีในด้าดีนอกจากใจว่ามีนาในถําซัวใจเท่านั้นเราเป็นผู้ผ้าทําดีเป็นผู้ผ้าทําซัวคาทําแร้วืออยู่ในเมืองใจทัาถ้วอยู่ในเมืองไกันพระพุทธเจ้าทัสลุยยุไสทัสลุยพุทธคยาตบลพุทธค ย, ยาประเทศอินเดียพระนจ้าว่าตามพระสูตรมาตามพระพธรรม สั่นเทาที่ว่าตามปรมัดแท้ๆเพื่อจัดสรลุอยู่เบืองใจเพื่ น, นีล้เพื่อกระล่เท่าใจนอกจากใจว่ไม่ได้ทรูเท่าใจนอกจากใจว่าไม่ได้ถึหลงใจนอกจากใจว่าไม่ได้ถึงปฏิบัติใจจะว่าอย่างไรนอกจากใจว่าไม่ได้ถึงท่าใจให้เจริญได้นอกจากใจว่าไม่ได้ถสิท่าใจใส่เสื่อมหน่อยมันพุ่นมาหันโทษอ น, นั่นตัวใจว่าอย่างไรสั้นพวกผู้ยุ่ยุคชิดน้ำพามาให้ ก็นาคุณมาให้ขึ้นกาน้ำคุมาให้กับมันใจนําพูดมาให้กับมั่นใจสิว่าอยงไรั่แต่มานามาให้มั่นะไหายผู้อื่นก็บอะไรอนถ้าบุญก็บถาใั่ใจถ้าบากถ้ามั่ใจถ้าบุญบานถ้าบุญเฮือนพวนี้บ้านก็คือยึดใจเฮือนกับมันเฮือนยิดเฮือนใจเข้าไปถ้าบุญเฮือนเฮือมันก็บ้รับเนี่ยมันหัวมันกับยุทธเอาเองว่าเป็ี่ยนม่เท่ากับประโยชน์ถ้ามันถ้าบุญสรองสะพานสะพานก็บ่เอาคำมันใจไ่ออกสิว่าอยร นั่งถ้าบาบใส่สะพานสะานกับว่เออกกับมันใจไปผู้เอานั่ถ้าบุญให้บ้านใส่ชื่ออันไหนก็คื่ออะถ้าบุญแสวัดวัดกับว่าได้เอากับมันมโนวัดเนี่ผู้ออกเนี่ยถ้าบุญใส่บ้านบ้ากับว่าได้เอากับมันจิตถึงได้ออกบ้านข้อมูลข้อมาบกับมันจิปวัดข้อมูลขาบกับมันจิตที่ว่างไรกนั่งบอกลูกไปนึงให้เข้าใจง่ายๆนะว่า เฮ็ดดีก็เฮ็ดห้ยจีบเฮ็ตชั่วก็เฮ็ดห้ยจีบวัดน่ะนอกจากจีบก่ไมีอด้ในที่ทำหายจีบได้นอกจากจีบกูไ่ได้กูไม่ในในสืรูปจิดได้จีบว่นทีตัวจีบมันกับตัวตัวบ่อยมันห้องจีบวัวอยู่ใบวายอยู่ควบดีควบเสือผู้ใดนื้อเก่งสั่นผู้ใดนื้อเงสี่โย่ผู้ใดว่างแพ้เน่ยใครแข่งจักเจ้าของเขาไปิสาสวรนสาวานปฏิบัติพระพุทธศาสนาน่ปฏิบัติซําไหนั่นเราไม่เีตนาซําไหนใครถามเจ้าของเราจะไปทาผู้อื่นทวารส่ เห็นขึ้นนี่เาจะคองหมดเลยได้่าสันทิตที่โกมันต้องเห็นเองจะคของอัไแพมีมาก่ายสาเถอจังไรก็ดีพเหลือมสยพระพุทธศาสร์นะซําไรก็ดีพบเลือมสายซ้ไรก็ดีใพ่มีแผนซ้ำไรก็ดีพ่มีแผนวิบิดเบือนเนี่ไก็ดีใพ่ไม่แผนปก้ไปโกมาเนี่ยไรก็ดีใคถามจะคลองมันไปถามเพื่อนมันลำบากอย่งมันติดชุดเป็นบว่าอลวงที่บัวอีกก็แม่นอีก สิไปรอะไรให้พวกว่าเป็ยนพาติี่ยังวะนั่นผมนั่งอยู่บนน้องหือสีว่าสั่บอกว่าตัวละสีแล้วเที่ยวอยู่นั่นผมนั่งอยู่วานั่นผมเมาอยู่บนเถอะสีว่าสั่งบอกหัวว่าสั่เนี่ยมาั่นั้นก็บ่แจงเพ่าเขาอเสือหอดยาเสือห่อดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มดอ่ะพ้นเสียกรรมแล้วพลนของกรรมก็เรียกว่าเสียพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันนี่ใจอันไหนที่สงสัยพ้ของสงสัยก็มาหาใจ จะไอันหยที่ว่สงสัยตอนไหนว่สงสัยพคนอันนั้นก็ว่าหาใจที่ว่างเลยเพิ่มสิ่งสมสงความสงสัยกับมั่นใจผู้สิ่ผู้ที่พูกปัญหาสนใจจะคล้องกับมั่นใจทีว่าจงไรสั่งผู้ที่แก้ปัญหาจะคล้องกับมั่นใจที่ว่าจะไรสั่งนั่นเสียแพ้มันเจ้ให้นั่นทําบุญใหมุนหยดลงเป็นอันเดียวนะ ว่าเดีเที่ยวทางอืงหนหรองานมันจิคั่มโอปนายกโกนอบเขา้ามาใส่ใจว่าวันศุนยโอปนายกโกนอบเขา้ามาใส่ใจปัจจิตังหากจะเห็นเองปัจิกาจะจะปัจจิจจจจตังผู้นั่งวันลังพอสังการก็คือใจนั่นเองน้าทุนกัคือใจเป็นหน้าทุนมาเปตัวรัฐบาลเป็นหน้าทุนพรอขาดเป็นหน้าทุนอันนั้นไม่เป็นอเมิตผ้านอกอันนั้น เมเป็นจริงจิตใจของใครเขามั่นเป็นน้าทุ่นมันพิชไวทางดีมันก็เป็นดีเขาัพิชไวทั้งัวมันก็เป็นัวหมดจะวไงสสิมิอิศระท้อใจผู้ที่ทำไรยมั่นกับมันมั่นผู้ที่ทำอะไรมันเจริญกับมันมั่นต่ว่าไงสะมันมีคุ้เป็นมหาไม่โทษเป็นอานัตโทษเขามั่นแต่คาตายก็ได้มั่แต่ผูกข้อตายกับมันมั่นตัวป่อคนเป็น คนตายแล้วไปปลูกเป็นหนวนั่งพุชเบียดเวียนร่างกายก็ม่มั่นพุชเบียดเวียนพุชเบียดเวียนมันก็ได้มันเป็นทุกข์ก็ไม่มันพชเีทุกข์ร่างกายมันก็บงจักคือรถคือเรืออะไรเนียมันโงจักเีเป็นสุปเป็นทุกข์เป็นเบขามันกับโมงจักอืี่มันซอยอะไรขับมันไปมันกัไปเนมันซอยอะไรขับมันไปมันก็บไปคือพยัญชนะตลาดคือขับอุปมาคือพญตลาดรถก็อุปมาคือกายกับใจ ก็คือกายกบายา็บม่จ้าฮอนเนาะเมื่อดินนำไฟร่อมขาดไปแล้วสิบคนปฏบัติบางโคนให้มันอปมันก็ปปไปน่ะเ อ, เอาแล้วเนาะมันสิคําพูดิงเมื่อวานเนาะเผื่มือโถ่ไปอ่าน น, ะอนาอานได้ใช่ไหประชุกประชุบประชุบ ไฟเปิดยงไรก็ถามเจตจะน่าจะของพยังเพรเช่าตู้ทำตู้นีห้ยังว่าสันทาวาิให้ไฟมาเป็นพยา น, นยาสาวาสิถ้าพรพุทธศาสนามันตอบเปินงังชันการปฏิบัติมันตอบเปนักชันล<ม>เลือมใช้เพื่อพระธามประาาสงค์ทำไมข้าวบวชมาทำไมข้าวบวชมาเพื่อเลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีวิตบวชหรือข้าวบวชมาเพื่อสงัง ว่าแล้วมีเพื่อนนี้สงสารดกระทำจะคข้องฮาน์โบชัยใช้มาเป็นพยานให้เขาก็ว่าเสรแล้วง่นระวังสิรือบเอียนน่ ะ, นะสิพหาขันขว่าเขาเมื่าไปร่จทุกจะทุกได้ มาผ enfin, so, ูต so, yani like, so ิเจาะมันกับพวเอาเพื่อมาสอนในมูอห้าวละห้าเวนนไหมาฝ่าวาสูพันธภาพลูกหลานจมาทิดที่น้ำมูนี่าสั่นของมุมันว่าเที่ยงมาสั่นมาฝ่อยมูอห้าวอยู่มาสั่นมาผูติเจาะทำสอนใเวนจากเวนจากใไมมีปราณปธิบาตเป็นต้นนะฮะแถึงวัคคุณพระธรรมประสงค์เป็นสารณะเนอะมาสั่นคิดใจไปยังสิจเลื่อนุณามาั่นูติเจาะูสามอะไรไม่แกกลามาอย่าง หิวแขนแล้วลียบหลดเนี่ยผู้สายมาร่องว่ามาแก่กันหิวแขนแล้วตีนแดกเข้าอีกส่งสูส้วมสั่งบเห็นว่าห็นกล้วยบอกามันโตจุ่มดีๆส้นตัวคนนะกมคือการจุ่มผ่าวัเขาว่าน้สู่คอต่อคู่ตัวนันนอาเดี๋ยวเขาบกว่ากล้วยตัวต้นตัวไม่นิสัยแหละกล้วยจับเสียดเลี้ยนี่มันเลียบนำกดกบกับหลุดเนี่ยชัวร์จริ เห็นความเกิดขณะจิดหนึ่งเห็นโลกหลบหนึ่งเห็นความแก่ขณะจิดหนึ่งเห็นโลกหลบนึงเห็นความตายขณะคิดหนึ่งเห็นโลกหลบนึเห็นความบ่มันว่เทียงขณะคิดหนึ่งเห็นโลกหลกเห็นโลกหลบนึงหลกเต็มไปความบ่มเต็ไปด้วยความบ่มบนว่เทียง ตอนเมื iat, <can the peso again> ่อเห็นชัดเนี่ยปัจจุบันตอนได้ไแล้วตอนอดีตและอนาคตตอนนั้นกบฏตอบสงสัยเห็นความเกิดแก่เก็บตายในปัจจุบันชัดแล้วความเกิดแก่เก็บตายในอดีตและอนาคตกบาตอบสงสัยเห็นความบมบันบ่อเทียงบ่มารบ่มนบุคคลเป็นทศวรรษรุ่นทศวเมรนทศวรรดินน้คล้ย่มบ่มของภเมืวันจะอยู่ในกล่วงแขนของไัยเห็นในปัจจุบันชัดแหละอดีตและอนาคตจะไปสงสัยยัง พูดเดียวอันนี้เป็นไม่ยังนีท่านของผู้ปัจจุบันที่รวงมาแล้วอนาคตดเป็นอย่งนีท่านของผู้ปัจจุบันที่ไปมุ่งหมายเนีออกจากไปจากไหนอันนี้ก็ออกไปจากปัจจุบันนี่อันาคตก็ออกไปจากปัจจุบันเพราะผู้ปัจจุบันเป็นผู้สมมุติใส่หรือว่าจะไหนสักอย่างอันนี้การท่ทานของปัจจุบันที่รวงมาแล้วอนาคตดการที่ท่านของผู้ปัจจุบันพูดมาถึงผู้ปัจจุบันเป็นผู้หวังอนาคต อดีตมันก็ล่วงไปแล้วผู้ปัจจุบันสิหวังหรือไ่หวังมันก็ล่วงไปแล้วดีมันก็ดีไปแล้วสั่วมันก็สั่วไปแล้วส่วนอนาคตดีกับว่าฮั่นดีดสัวรรส่วกับว่าฮั่นสัวส่วผู้พระเจ้าจึงสอนเห็ น, น ธ, ธรรมในปัจจุบันผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งงง่ายความแพรในทางพุทธศาสนานี่เนอถ้าผู้ใดไม่เชื่อในปัจจุบันผู้นั้นก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาผู้นั้นก็ไม่ไม่มีครูจะสอนอีพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาสอนก็ไม่ได้แต่ว่านั่นบวาอีกก็แม่ดีที่ว่านี่ พนบ่เสือในปัจจุบันแล้วพุทธเจ้าองค์ไหมาสอนสิมาสอนไหนมันแทงเสื้อได้นักมวยเอกนักมวยเอกเขาระว่างมัดเขาระว่างมัดปัจจุบันเขาตีมาแล้วมันกระล้วงไปแล้วถือกระเถือกไปแล้วว่ดถือกรบวัดถือไปแล้วก็เตะมาคือกันเขาอะไรมาคือกันมัดอนาคตกับบุันมาถึงเขาละว่างละว่างมัดปัจจุบันเขายางไปคือกันเก้าวอดีตตำสลุดกับตำสลุดมาแล้วเก่าอนาคตกับบุหันในเก่าเห็นเก่าในปัจจุบันเห็ล้ว แต่ความสำาัญมันเห็นลวงหนากกรสิว่าอย่างไรเขาเก่าว่าถึงแลืไไม่แม่แม่เห็นลวงหนาก ร, รเพราะความสำคัญคือร่มเขานี่นะพอล่มเขาพ่อเขาเห็นพ่อเขาบัญญัติร่มห้างใจเขาพอบัญญัติแล้วเขาเป็นอดีิตนั่นเพราบัญญัติว่าตนร่ม กำลังเขาเป็นอดีตไปแล้วถ้าบรรยายนะกลางล้มเป็นอดีตไปแล้วถ้าบรรยายนะท่ายล่มเขาเป็นอดีตไปแล้วถ้าบรรดายนะต้นล่มเวลาหาใจออกยืดสะดือต้นล่มอยู่านี่กลางล่มเอายืดท่ากลางอกเอเป็นอดีตไปแล้วอท่ายล้มเอายืดปลายจมูกเป็นอดีตไปแล้วนั่นล่วงไปล่วงไปคือน้ำไหลนี่คือน้ำไหลเองที่ พ้าพวกเฮาสิว่านี่ปัจจุบันนี่อะไรไปไซนาเฮานแกเก็บตายคือสั่เดี๋ยวนี้แก่สิตายก็ว่างมาอ่าน่ว่างไรสั่้แสิตายก็ม้งเศร้าเนี่ยแก่ก็มึงเศร้าเก็บก็มึงเศร้าแก่สิตายก็มึงเศ้าทีว่างไรสั่งชะตาควาสุด z มอันนี้คือกั่งหลังเก้าก ica, ็มึงเศ้า <peeled> น <sins> <force> ี่ยที่ว่างไรสดินกับผ้าเราไปดินหน้าพ้าเราไป็นหน้า ไฟก็บพังลงไปไฟล่อกับพังลงไปเป็นล่องตั้งขึ้นอี ก, กเกิดอีกก็แตกล่องไปอีกอสัญญาณเป็นยอดกระลูกเวทนัาสัญญาสัญญาสัญญาเนยะดจะเกิดขึ้นแล้วก็ไประโยชน์นั่นสลายทัญญาเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดเธอทั้งหลายรู้ปานตามเป็นจริงแล้วความลงของเธอทั้งหลาย ความหลงของเธอทั้งหลายก็จะเบาวางลงเธอจงทำละความหลงของเธอด้วยพระปัญญาของพวกเธอเถิดจงทําสติปัญญาของพวกเธอให้เหนือความหลงของพวกเธอเถิดจงรู้ตามเป็นจริงของสติปัญญาของพวกเธอตอนใไหนแล้วพวกเธอก็อจะเส้นความสงสัยตอนนั้นนั้ น, น, นอมตะเจ้าอริยะําไมที่ตัวนั่นลูกอริยะธรรม ก็อยู่ที่นรชนของพวกเธอทั้งหลายอยู่ที่ใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองนะคำเพรียวลึกล้าคํำพีลึกอยู่ที่ใจถ้าใจทําให้ลึกก็ลึกถ้าใจทําให้ตื้นก็ตื้นผู้จะทําให้ตื้นหรือลึกก็คือใจนั่นเองนผู้ที่จะสงสัยใจก็คือใจนั่นเองผู้ที่จะรู้เท่าใจก็คือใจนั่นเองนะ ผู้ที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรก็คือใจนั่นเองเหตุนั้นจึงมีธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัธย์ญาติเป็นผู้รู้จักผลสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทำของสัตว์ปรุษสัตตบปรุษไม้ขนาดไหนก็ไม้ชุปเิปนโนเป็นสัตว์ปรุษนั่น ศีลทำไมจึงมีโลกียศีลมีโลกุตระศีลที่มีโลกียศีลหรือ โ, โลกุตระศีลโลกียาสมาธิโลกุตระสมาธิโลกียาปัญญาโลกุตระปัญญาก็เพราะเหตุว่าเอาคําสอนของศาสตราได้อื่นมาปะปนคําสอนของพระพุทธศาสนาคําสอนของพุทธศาสนาเป็นโลกุตระทางนั้นทานก็เป็นโลกุตระทานศีลก็เป็นโลกุตระศีลสมาธิก็เป็นโลกุตระสมาธิปัญญาก็เป็นโลกุตระปัญญา เพรมมาะมรหมจรรย์เรื้องต้นคือพระสสดาบาลตำกว่านั้นลงมามาได้นับเข้าในพระพุทธศาสนานั่นคนที่ควรที่อได้ก็คือในธรรมสามอย่างสองอย่างปัญญาจิตีหรือสคาธิเศษหรือปราชิตรหรือสัาธิเสษหรือปัญญาจิตีอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูรรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทําอย่างใดให้จำปรับจำเพาะทําอย่างนั้นก็หมายเอาพระสวสดาบาลเป็นต้นไปอริยวังคีกสูตรก็นับเอาแต่พระสวสดาบาลเป็นต้นไปเป็นพร ม, มจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาตำกว่านั้นลงมาม่ได้นับ เมื่อเอารับที่ของศาสตราจารอื่นมาปะลกลคับคําสอนของพุทธศาสนาะก็มีทั้งโลกีโลกาโลกโก้วุ่นวายกันเลือกกันจะตายผู้ที่รู้ชาติทำไม่ต้องเลือกดิ่งใส่พระสวสดาบัณเลยถ้ายังไม่ถึงพระสวสดาบัณก็ไม่ถึงสุปาพบันโนก็ไม่ถึงคําสอนของพุทธศาสนาะก็้วไม่ถึงไตรสนคมในโลกุตระช น, นคมโลกียะไตรชนคมไม่อด นโมโลกีคือนโมอะไรนโมเลขนโมผานโมบัตรนโมเบอร์ตัสนศร a ก็เหมือนกันนั่นนโมผีนโมแางโลกีทานคือทานยังไงทานได้หวังอยากจะได้เลขได้ผ้าได้บัตรได้เบอร์หวังอยากจะรวยทรัพย์รวยศินนั่นเรียกว่าโลกียทานโล ก, กุตระโลกุตนาทานทานรักษาสินภาวนาเข้าไม่เดียวไม่ได้ นั่งเพราะหวังพ้นทุกข์ในวัดตาสงสารเมื่อได้หวังมาท่องเที่ยวในวัตตาสงสารอีกมีเกียรตนาอย่างนั้นก็มีอันินสงส์กว่าผู้ที่ทานให้ทานรักษาถินเต็มพพ ม, มาโลกพราไม่เท่าผู้ปรารถนาเพื่อบนทุกข์นวตาสงสารคณะคิดเดียวเลยนั่น เธอจะปาถนาพ้นทับเพียงไหนก็าตามเถิดเธอไม่พ้นดอกเธอไม่พ้นดอกถ้าเธอไม่พ้นดอกจะให้ใครพ่นดอกพวกที่พ้นไปนั้นมากกว่าไม่เห็นไ ม, ไม้ตายในต้องมหาสมุทรรอยโกรธมหาสมุทรหรือาอาศงไขอาศงไขมหาสมุทรเนี่ยพ้นโดยวิธีไหนนั่นถ้าเป็นคําสอนที่เหลือวิสัยพระบรมศาสดาก็ไม่เอามาสอนบุคคลผู้จะรู้จะพ้นมีอยู่ท่านพูดางนั้นดอกบัวใต้น้ําดอกบัวเสมอนต้น้ำดอกบัวเป็นตูม ดอก บ, บัวที่บานเต็มภูมิก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลกไม่ใช่มีแต่ข้างพุทธกาลเมื่อเป็นนางนี้ยผู้ค้นก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยผู้เสมอเป็นตูมก็มีอยู่ทุกยุกทุกสมัยผู้เสมอน้ำก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยผู้ใตน้ำก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแมลงวันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแมลงพึ่งก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย มแมลแงมันก็ใจถึงทางกินมดพูดมะแรงพึ่งก็ใจถึงทางกินเกรสเรดอกไม้นั่นมันก็มีอยู่ของใครของมันแต่ว่ายังไงทีนี้นั่นเราโง่จะว่าคนอื่นโง่ด้วยมันก็ไม่ได้ผู้ฉลาดกว่าเราก็มีเราฉลาดแต่ว่าคนอื่นไม่ฉลาดเหมือนเราก็ไม่ได้ ผู้เหนือเราไปก็มีนั่นเพราะสร้างมารมีแข ก, กามาแล้วนะคนมาเกิดในวัดทศสามไม่ใช่มาวันเดียวกันบางท่านก็สร้างมารมีแข ก, กามาแล้วบางท่านจะบวชจนถึงวันตายก็ตามก็เพึ่งมาบวชในวัดพุทธศาสนาก็มีบางท่านบวชวันเดียวสองวันสมวันสี่วันสำเร็จพาารพอรหันก็มีในข้างพระเจ้าองค์กรมเหมือนกันนั่นในข้างไหนๆก็เหมือนกันนั่น พูะเพชฌร์ตาปุณณตาบุคคลผู้ไดทำความดีมาในปางก่อนอันตถสมาภณิทิตั้งตนไว้ชอบพุเรชาตาปัจจะอยู่พรเรชาตได้สร้างมาผิดกันในแก่ก้ามาแล้วปัจฉาชาตาปัจจะอยู่ปัจฉาชาตก็สร้างต่ออีก กรรมวัฏจัยโยคหามรักกันทำยิ่งยวนกว่ากันวิปากะปัฏจัยคือผลของกรรมก็ได้รับยิ่งยวนกว่ากันเหตุนั่งผลก็นั่งเรียกผลของกรรมกรรมวัฏปัจจัยโ่ะนั่งอยู่เรียวนี่วิปากะปัฏจัยโยคือผลของกรรมคือผลของการนั่งอาหารปัฏจัยอาหารสีกวรลิงกาอาหาอาหารคือคำข้าวพระสหารอาหารคือพระักดิ มโนสังเกตนาอาหารอาหารคือมโนสังเกตนาวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณสัตว์ทั้งหลายมีอยู่วิญญาณมีอาหารสี่สัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารสี่พระนี้เจ้ามรรติอยู่ในอาหารทั้งหลายรูปตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยรูปต้นตามเป็นจริงด้วยข้าพเจ้ารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่ข้าพเจ้ามรติอยู่ในสังขารข้าพเจ้ารูปพระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานแต่ข้าพเจ้ามรติอยู่ในพระนิพพาน ข้าพเจ้ารู้ทุกตามเป็นจริงของทุกแตาา่ข้าพเจ้ามาติดอยู่ในทุกข้าพเจ้ารู้สุขตามเป็นจริงของสุขแต่ข้าพเจ้ามาติดอยู่ในสุขถ้าข้าพเจ้ารู้ทุกเบื้ขาตามเป็นจริงของอเบืขาแต่ข้าพเจ้ามาติดอยู่ในอุเบื้ขาถ้าข้าพเจ้าติดอยู่ในอันใดอันหนึ่งก็เรียกว่าข้าพเจ้าไม่รู้เพราะอุปทานของข้าพเจ้าไม่มีเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่ติดอยู่พระบรมศาสลาที่บอกว่าพระบรมศาสลาเถอสว้มุติสุข อยู่ในอาจบานอะไรนีโ่โคตรท่านันวันท่านวั น, น, วนอยู่ในราชา ย, ยตนะระสวยมิวติสุขแห่งละเจ็ดวันเจ็ดวันเป็นสี่จุดเก้าวันเจ็ดเจ็ดสี่จุดเ้าถูกอยู่เป็นคํำของพวกเราสมมุติให้องค์ท่านไม่ใช่ท่านถ้าไม่พูดอย่างนั้นพวกเราก็ไม่เข้าใจความหมายแต่ในเวลานั้นท่านสมมุติว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่ทราบนะนั่น <bees> ยืนเดินนั่งนอนเราไปเห็นท่านเราก็บอกว่าท่านยืนท่านเดินท่านนั่งท่านนอนแต่ว่าเวลาท่านยืนอยู่ท่านเดินอยู่ท่านนั่งอยู่ท่านนอนอยู่ท่านสมมุติว่าสมมุติว่าท่านอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบท่านได้นั่นเพราะวิญญาณปติสนธิของท่านไม่มีกิเลสแล้วไม่มีอุปทานคิดของท่านล่างแล้วท่านจะสมมุติสมมุติก็ไม่มีพิษท่านจะวิมุตติวิมุติก็ไม่มีพิษเพราะไม่มีอุปทานอยู่ในสมมุติและวิมุตินั่น ศีลสมาธิปัญญาท่านก็รู้จริงตามศีลสมาธิปัญญาท่านไปวินทบาทท่านก็ไปเหมือนกันกับพวกเราแต่ว่าท่านไม่ไปด้วยกิเลสฉันอาหารท่านก็ฉันอห า, านอนอหารอยู่เหมือนกับพวกเราแต่ไม่ฉันดว้วยกิเลสเหมือนพวกเราพวกเรายัางไปพ้นผู้ฉันทั้งกิเลสกิเลสพากนว่ากินพาไปพาอยู่ตรรมุนีนาวัตติโลโคสัโลกเป็นไปตามกรรมกรรมของพระบรมศาสาและพระส า, า, ารเป็นอาโหสิกรรมแล้วกรรมสาเร็จแล้ว พบาบก็ละพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วไม่มีที่จะอยู่ทีนี้จะอาบาปไปใส่ที่ไหนก็ไม่ไม่มีที่ใส่เพราะบุญสร้างพอแล้วบาบก็ละพอแล้วอยู่ในตัวสร้างบุญตอนไหนเต็มบาบตอนนั้นก็ละไปเองนั่น ถ้าไม่พูดกันเรื่องรุง่เรื่องพ้นเรื่องพระนิพพานไม่มีใครจะพูดพระบรมศาสดาก็บอกบ่อยๆว่าเธอทั้งหลายจงพูนกันพูดในเรื่องวัฏจักรสงสารให้เบือ่อให้หนาให้คลายให้รุในให้พ้นเนื้อห้าสิบที่เป็นจินตกวีเพื่อทําให้เรื่องจริงให้เกลื่องเพื่อให้ภัยละไรเชิงกราบจะเพียงใรก็าตาม ถ้ามันเป็นเครื่องสลดใจในวัตจาทรงสารแล้วสู้ภาสินเดียวไม่ได้เนอะเ ร, ร, ร, ราบวราบวชสัตวละเราปฏิบัติหวางเพื่อคนทุกข์ในวัตจาทรงสารเมื่อคําหวังท่ามทะเลทุกข์รั้น ทะเลทุก็อยู่ในที่เมืองไก่เองข้ามก็ข้ามอยู่ที่เมืองไก่จะไปข้ามที่อื่นยิ่งตื่นเมื่พบทะเลหลวงก็อยู่ที่เมืองไก่ข้ามก็ข้ามกันอยู่ที่นี่ข้ามไม่ได้ก็อยู่ที่นี่ข้ามได้ก็อยู่ที่นี่เมืองหลวงของไก่เป็นเมืองตะลุมบอลกันกับกิเลสศีลสมาธิปัญญาและโลกโกรธหลงก็ตะลุมบอนกันอยู่ที่นี่ตะลุมบอลกันอยู่ที่นี่แหละนั่น ชะก็ชนะอยู่ที่เมืองไกลแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองไกลชน ะ, ะนนแพ้ในทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสตร์สงายแต่ชาวโลกออกมาใชายกันเมื่อชาวโลกออกมาใชายกันก็มีแต่เวนสนองเวนใผ่สนองไผ่ ตนาโจทย์ตาลังติเตือนตนด้วยตนเองชนะตนนั่นแหละเป็นดีพระพุทธศาสนาสอนให้ชนะตนอัตยัตนาโจทย์ตาลังติเตียนตนนั่นเองตักเตือนตนนั่นเองเป็นการดีอัตวัรคือหมวดตน ริธรรมศาตรา์ทฝึกตนดีก่อนแล้วจึงฝึก อ, อื่นจึงไม่เดือดร้อนในภายหลังเนอะพ<ม>ระบราสดาพวก 2,508 มาให้ไปเป็นธรรมทูตที่แล้วก็เถียงท่าน เราก็เถียงเถียงท่นานเจ้าคุณท่นานเจ้าคุณก็เป็นพรรษามากกว่าเราสี่ห้าพรรษาเออท่นานเจ้าคุณไปที่ไหนจะให้ไปยังไงก็ปเป็นธรรมะทูตใครทํานี้ได้ดีทําชั่วได้ชั่วเขาเป็นธรรมะทูตอยู่แล้วเอาไ กิแกเก็บตายเป็นธรรมทูตหมดแล้วทุกๆคนก็เป็นธรรมทูตหมดแล้วเราพูดอย่างนี้ไปแบบชาติอาจารย์มั่นแล้ะประยู่ต์ของเก่าโอ้อาจารย์มั่นก็ผมก็รู้จักอยู่พระที่ประทาขององค์ท่านถ้าไปพักเวะกง ท, ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ท่านก็ไปทําความเพียรของท่านไม่ได้หวังว่าท่านจะไประเทศเอาคนเราพูดอย่างนี้ผู้ที่เข้าไปหาองค์ท่านเคารพรับถือท่านท่านก็จึงเทศเอาเมืม่อไงเคารพรับถือท่านท่านก็ไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่เทศทามาได้หิ้ยเทศเหมือนพวกเราเพอเราจะไปเที่ยวข้ะประตูเทศเขาหม้อรำเขายังมีเกียรติกว่าพวกเราเราพูดอย่างนี้ทีนี้พวกนักเรียน พวกคัด บ, บ้านเขายิ่งเทศดีกว่าเราเขามีพาสิทธิ์มาอ้างอะไรต่ออะไรพวกเราโกโลโกโศประเทศเขาไม่เท่าพระรักเรียนอีกเชียด้วยพระไตรปเรกครบแล้วมีอยู่ทุกคนทองแห่งเขาขายกันแล้วแล้วจะไปเป็นธรรมทูตสู้เขาไม่ได้ดอกอดหลวงูมั่น ผู้มาหาองค์ท่าน ท, าาาาาท่านกษเทศออกพมามาหาองค์ท่านท่านกษัตริย์ไม่ใช่ว่าท่านหิวเทศจะไปเที่ยวครอประตูจะไปติดต่อกับคููโรงเรียนจะไปติดต่อกับผู้ใหบ้านกำ น, นันอะไรไปเที่ยวหาเทศมันก็หิวเทศเกินไปนั่นละมันจะหาบมากเราพูดอย่างนี้ทีนี้ทีนี้เดิมของก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ตั้งหน้าไปเที่ยวหาเทศเขาอ หานกันก็นกนมาไปกัวแร่นซือมันบ่อใดได้คนหน่อยเ็ว่าจะเนี้ยตวต่างตัวของเก่าเพิ่นห้องรักษาไว้ก็ยังบมกุ้มของเก่าเพิ่นลูกชิดเก่าเพิ่นห้เข้าไปตึกปลานี่แเจตัวได้มันบ่อนขึ้นกว้ขึ้นถ้าหวานล่องมันก็นย่างโมลจีนแห่อะวะ่าชั่วจะไปตึกแหดูไปทวดทิบทวแอนหนึ่ง แห่ไปติดน้าตายเราโคตรย้อนมือเร ว, ว่าจันอาวังส่บวนนัี้เจ้าข้าผุ้จักรันเพิ่งเคยย่างไปที่นี่ว้สันโอ้ยอัของข้าผู้จักรันพวกพัทธวัคคยะพวกเจริญน่ะย่าตาัําก็เป็นพระโสดาบัณฑ์นะพวกนั่นกับเป็นพระละหันทั้งนั้นไปเทศานะเพราะไม่ใช่ศาสนาภาพเนี่ยขอหน่อยตะ ก, กี้วะ<ม>เดี๋ยวนี้พระไตรปิฎกเขาขายหมดแล้ววะคนที่ิ้งโบมิบาบบุพระพุทธเจ้าเทศวัน ไ, ไหนว่าสันแล้วอาวังี่ พระมาลุ่มพระพุทธเจ้าเทศบอกสันตว่าออกเถียงเอาแล้บาทนะพระมาลุ่มไปถามว่าพระพุทธเจ้าปฏิเทศได้ว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดชีพเป็นนา่นศีละเป็นนั่นไหมออืมีบุญมีบาปไหมพระพุทธเจ้าเทศบอกว่าพระพุทธเจ้าปฏิเทศได้ว่ามันจนมุมว่าห้องสิบดัพระพุทธเจ้าดำดินมีบุญได้ปานนึงขยั่งประเทศว่าเพื่อนประเทศมันเสียเวลาว่ามันเปยังมันจังเป็นสัตว์เนาะคนนั้นคิว่าเป็นศี่ได้วหมวิชาตาบอลแล้ว เราไปเฮียนวิซาสนเข็มนันพระองค์เจ้าผู้คนเพิ่นลเลยบวชหายสนวะสันน่ะเพิ่นแล้วเสอนหายวะมันเสียเวลาทั้งผู้บอกวะมันเสียเวลาทั้งผู้ไปวะเที่ยงกันนว่าสันออกกันหลายเตอบ์น่ะปีหนึ่งเทาไห่ขี่โกงขโมยขี่โกงขโมูห้องไวจะไปนึกว่าภูมันนึกว่าเป็นท่านไหนขน่อยวามหาพลพลจักรเนี้รไรวบมหาพลพลกบเสถียรพลบมติมิวเสถยรคือเท่าไรว พราะว่าปฏิบัติรคนยาำกวดตาเพื่กิกวดตายามเดินงกรมเพื่อเกิดเดินงกรมอันนี้เหาอยังค่อยค่อยางสหประเทศจินยาซ่อเขาวางจังหาป๋อวะาวางสิย่างไปักันแล้วไปใส่เสใส่เสื้ว่าตเป็นองค์ที่สามเนี่ยท่านอาจารย์มหามุนี่เป็นองค์ที่หนึ่งท่านองค์อาจารย์งุญแจเป็นองค์ที่สองเอาเป็นองค์ที่สามเอาไปค่อยคิ งางเข้าขอสอยไปนักคน NO. ที่บานแล้วบางแถาสาม evet. แถาแล้วก็จะไปเทศเอาจากใหนไปถาปอว่าจันตัววานแล้วมันพลังานเสใสเทกคว้านัอนนี้ชาวานคนนี้เป็นงอคือน้องอนหายแล้วมันเราให้เสียเส็นเนี่เพราะว่าโตเ็ิดวัดงอว่าโตดีกว่าที่ตายละไปกับมาเพาท่านโดนเขาก็บึมบวมบอกกันแล้วบาเนี่ยนั่มเนาะเทีงวันน้ว่าพูถือวมีบามีบุญพประเทศได้วาถ้าผู้ที่เจากยังเทิดเทใจว นี่ปล่อยเขาขนทที่ได้เท่ากันประเทศเอาเขาด่าแม่ทีน่นี่พวกขาเขาดาแมที่มาล้องต้องแต่งมาล้องต้องแตง่ ง, ต ง, แตงมาลองต้องแตง่งเขาดาแม่มันเขาบอกอย่ง า, างัาจเขาดาแมพะแม่กลอาจารย์นะเขตายกลันพนอภาษาเขานั <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> นผมจะผมจะน้บอก ไปเขาไปฟังเขาไปนู่ไปฟังเทศนายบอกอ๋อนัน่นผมโมเป็นเองว่าเพื่อบึงน่ายหันหน้ายันนในกลุงราชเกิดมาสิบสิบเอ็ดตะหุสิบสองละหุสมาฟังเทศของพระองค์เจ้ามาว า, ายุระเบียบเรียบร้อยพระองค์เจ้าของประเทศเลย พ่อวาอยู่วเบียบเรียบร้อยเลยพ่อองค์เจ่าทังเทศพวกนันเดียพระโสดาบาันมุดทิเบตชวนนั่นเพราะนจะไปหิวก็เดีย ว, ว, ยวย เ, เลยห้องายเพี้ยเลยหมื่นหนึ่งเขาก็วาอยู่ส ม, มื่นี่มันนักเทศมันไรผลนักปฏิวัติมันมีวะภาคเกษตรเอาโยงส ม, มื่เลยวะโยมกันจากสิเทศเอาพระวะมันจากไปดิเทศไปเดีเดียวนี่ยวะ ลูกศิษย์กันเทศเราอาจารย์เนาะอาจารย์กเทศเราลูกศิษย์วะท่านี่ยเรามีแต่อการไม่จักพย์ที่เป็นลูกศิษย์กันวะห้อว่างสีท่านเนี่ย้มกันเทศเราพระพระกันเทศเราโยกเดียวนี่วะตัคนตั้ปีนกันวะลูกศิษย์กัิเทศเราอาจารย์อาจารย์กัเทศเาลูกศิษย์วะตหอดทั้งสมัยน้อยเหมือนจักไพย์ที่เป็นลูกศิษย์กันสมงนี่เป็นตะอุกบด้วว่าในองอะไร จะนำเทโลฮันโนพระวนาเทธจะา้องอังฝั่งสมายดีพระวนอารมณ์มาจาเขาออกรับป่เอาหนมานี่ยโมเห็นนาพระกันเทธเราพระเลยพระเห็นนาโยมออาเทศเรยม่เลยนะเนยลูกศิษย์กันเทธเราอาจารย์นี่เองอาจารย์กัเทเราศิษย์ท่านนี่ชักที่ไปเป็นศิษย์กันมาเนี่ อาวเขาเปดตวกูนู่นก็นกได้แน่นอนบุคคลนี้เด็กชายคนี้แม่มอนหนาคือรับควาจะรับให้แห้งเลยนี่มากุ่มโลกหมดที่หาพันชานั้นกับสมัยสมือนี่หนาวเป็นรังมือนล่อ่านไลาแน่วอยู่เรืืองค้นถิ่มาถอดปลาฟ้ากำลังปูมัน ร้องปูหมันไม่ได้เกี่ยมยะเจรยโนมให้ตอนให้รับอยังเขาเพราะมันบ้าหมูใหญ่หมูผูกกว่ า, ม า, ม า, วา น, นี้แต่ว่าหังฝนหังแห้งมากลมบ่แห้งฝนหังแหงลมบ่แห้งฝนแห้งคือทั้งไหนปัดใจซีเขาออกมาไลยมันไลยขังรัง เขาเออมาเพื่อสามี่ใหม่สามไหม่สามรอยผ่าสามรอยผ่าสามรอยหลาะ ก, กี่มัน่นคงตะเ่าว่ า, านหลาในสมือนี่นบก้กสั่งพอเงินตะ ก, กี้นันแพง เขามาทอดพรป่าลวงพูหมัมีสองประเภทประเภทหนึ่งเขาร้อนมาโลดสมัยนะั้นเราเห็นกับงูกับตาเอาเขาร้อนมาแล้วเขาไปนอนดูบ้านคนเขาไปมางหุ่นทางวัดพระเจ้าผระสงจัดแจงและต่อนรับกันสมัยเสมือนี้ตื่นหมือนเสามา เขาก็มาบินครับเขากับไสบาทหลวงปู่ไสบาทพ ร, ระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในบานทุนเขสียมาอะไรก็ตามอยู่ในบานบัดบนมามุนพระบุ่เจ้าคือมีสองวาเขากับไสบาทพระไสบาทพระแล้วเขาก็นํามาพรหมพระ เขาเอาผามาบางสกุลลูกปูมันบางสกุลไว้นําหัวกันใดท่านขืนบ้างนั่นบนท่างกลมท่านบ้างบนท่านไปฐานบ้างบางท่านค่บางจําพวกกับางบางบนบัดกับจากบิดทบาทมาเคร่องทางหัน เขาสอยูู่้มีศักดิ์ศรีอยู่หลายมือแต่อยู่หลายมือเมือ่อไมาบุ้พระเจ้าพระสงฆ์ตอดรับปา่าสช้ที่สังคมพอสมัยนั้นไม่มีโจรผูมีผู้ลายสงบสมัยนั้นบอว่าเขามานอนวัดนอนว่าให้พระเจ้าพระสงฆ์ช็ดเชิง ตับปลาใช่ีใช้ฐานขีใช่ถอกย้าเฮ้าสูงเู่นี่ดอกหลวงปู่นัก น, นับทั้งแขแหะสมัยนะ่ะนับที่สุดแขแหะว่าจะว่าจะออกบรรษาแล้ว สองมสามมูสี่มงมาพักตัวสามสี่วันไรออกสามี่วันลรออกปสรมนมุษย์วนอยู่มีเรื่องปฏิปทาในเรื่องผาปาส่วนผาป่าน้าอมแอมบ้านเป็นต้นว่าทางไกลจากบรรพญูสองร้อยเซนก็ดีสามรอยเซนก็ดีสิบกิโลก็ดีสิบห้ากิโลก็ดียี่สิบกิโลก็ดี เขามาเขาข้าด้วยฝีเถ่าเขาเขามาบังแล้วบงังสกุลเขาสอบบังอยู่ในป่าเขาสอบบังอยู่ในวัดหน่วยเทือเราเขาเสียเอาืนไปทั้งบงังทั้งซาลาบังน้หท่านใดท่านบ้างาเทือสีใหม่หามก็ได้เงินก็บม่ได้ดอกเทือสองร้อยสามร้อ ที่ทีปกติบาทเงินสมัยนันแพงภาสมัย น, นันการทุกค์เป็นใหม่ละเก็บที่แปดที่บาทภาสมัยนั้นหรือ40บาทหรือ30บาทภาสมัยนยั้นจุดลอยช่างแล้วก็องค์ท่านก็ไปรับ ของเขาแล้วก็พระเนีนก็เก็บตาเคยซึ่งในพระจับบ่ได้ก็ให้เนนจับซึ่งในเนีนจับบ่ได้ก็ให้โยมจับโยมของพระขาฮะล่ะแล้วก็เพาได้ว่าเสียเขาสวยเขอเสียเขายังจังสมือจะเขากินไส้นอนใส้แมรุเขาฟังเทศท่าน้อนสองขวมน่ะกับ ก็กรกับมิดๆเอาโหลดเลยไหมเทือนึงก่นในอำเภอพันนามาถอดผาปลาหลวงปู่ท่นเสียงแก่วมมาในบ้านเป็นเชิดเจ้ากองกระได้ตึ๊ตึกบตึ๊บตึ๊บเตะเตะแตะเตตตะต การบ้านคุณพ่อความรงสิขาวัตรเม็ดอ่อนซ่อนคุณสามร้อยซีรอยน้องเท่าก็ถอดออกวันผุดประตูคุณผู้วัยน้องถอดอย่างคนรักนี้ก็จับหิวคนโตนนโตนโรดย่งางเห็นตะขาหลายหลยหลยหลยออกจลา เอาไปว่าเหมืหอโฮมทินเป็นั่นหลวงปู่มันกับงไป ร, รับลงไป ร, รับพระเนีนเ่ยเก็บผู้ต้องการสร้างเทศกับึ้นตะกุดเพิน่นผู้ต้องการสร้างกับกัย บ, บ, บเงียบมม่าอาม่ออด้้วาาาาะพีทงก นับว่าเป็นภูมีทัศท่าดีจังสันจังสี่าคการอุตสาหะใจเต่าเขามากจังสี่ว่ได้ว่ารกปูมันเตป๊บตป๊อ ป, ป, ป, ป, ป๊ในทางปรมาจโหลดทางศิลทางภาวาหน้าเขาโหลดตีเส้นังหุ่มโหลดบ่ได้ยกขาท้าบาลีพี่ช้างหอก บ่ราวาณโมตัสสาดอกจะอยากฟังเทเร้วงปูมันมันโมยาหย่านโยมคืนมานั่งเงียบเงียบเลาพ้นเทรสถโลดพระเจ้าผสมเทไก่คืนม่านั่งเงียบเงียบองค์ท่านเทศสถโรพุ่นบอกพุ่นพ่นอกพุ่นพุ่นบอกพุนพุ่นบอกพุ่นพุ่นบพุ่นพุ่นโต้กันหันหันหลังหันข้างใช่ยืนยันยันยันบ่อนเทดอกหัน กรมนาทรัพรับทรัพย์รับยุพายยุมา่นะปรนเทศละฮะหลวงปู่มหาขยังเป็นอยู่เนี่ยนี้มีหลวงปู่มหาผู้เดียวสมัยศูนย์นี่ยังอยู่ไก่กับหลวงปู่ใหม่พระสุญยายนะซุ้งอื่นมาได้อยู่น้าเพิินบาได้อยู่น้ำเพลินขับหน้ายกไหวสิดีครูหลวงปู่มหาจะยกไหวเดี๋ยวโบแเต่บันตาเห็นก็กนับ หลวงปูเทศตั้งแต่อนุรุมน้ำมูอยู่แดแต่ก็สำคัญเยวะคนก็ได้พอเดี๋ยวพฤติกรรมละหลวงปูเทพก็ได้หลวงปูฝันจะพฤติกรรนละท่านี่ด้านเจ็บซบที่นี่หลวงปู่หมั่นพระชงสรรเสริญเลยเจ็บซบไบหน้าพปทีระทานี่คือขึ้นมากหลังหลวงปูหมั่นนผ้านเี่ย เรื่องซุปนี่พวกส่งเสริมเสร็แล้วส่งเสริมเก็บไว้น่าสมาธิสม า, สมาบัตรท้องไผ่ห้องมัน่นเกได้ไปสันตัวสันมิมาเฮาตันจินเขาต่งคนโน้มยืนนี่บ่คนหงส์ชักหลวงพูหันของพระเจ้าก็บม่ได้เอาไว้น่านได้พระชักวัดเขตตะวันมหาวิหารก็ ผูกเาผาพระเผาเนี่ประจําวันอยู่บข่าชักเถืระที่นี่เรื่องสวดนมณน์ประจําวันมาร่วงคนสวนมณ์ตื่นเรือบุกเสวไหลพระเจ้าสวนมณ์ก็บบ่มีใ น, นปี่ยปฏิปทาของหลวงปู่หมันพวกเราห้องพักห้องอมน่นฉวดเต่ายห้กระทบกระเทือนกันหนักปฏิบัติใดเดให้ได้เตนโม้เอาเตนโม่หัน ผู้ใดแต่ผูผ้ไดแต่พูดท่าไงเอาแต่พดทท่างค่ะผู้ใดสิได้ร้ายสิเอาร้ายก็ตามขอให้นักนะพ่อวานาขอให้นักใ้เดือนจะกลมพ่อวานาหลองสัตว์พระกรรานมวลมนี่สิอวดเสียงมวลมนี่สิหากิ่นน้าเสียงหรอกหลวงสิมวลมนี่สวดมุ่นเสียงมว้มวลขกเหลือใส้เลยเอาขนมกินขนมเลยคนหลวงสัตว์หลวงู่มาส่วนมือลงอัวสด เป็นภาสวดธรรมดาทำเนียมร่วงอุโบสถของหลวงปู่มันตรงใบหนึ่งใบสองล่องอ่ะเพราะวัดของแอมมู้นั้นมาล่งน้ำมาตรงแอมเก่ไก่ที่ทั้งโคเตนพรครวตาจานตาปัตจตาลาตาสมะธมุเทนะ โวาราปฏิโมกขั้งติหิตนาธาหิตทัานตีปรมังตะโปตีติฆะพอได้สวดคือห้าสวดสุมมือนี่ถ่ายปฏิโมกนี่ปฏิพัทธะของหลวงปู่มัน่นในยุคบ้านนกพืชนี่ยุคอื่นมูรับร่องยุคบ้านนกพืช4ปีติเทียบ ก, กัน แนวเกาทั้งนั้นเวลาหายพ่อนีโย้อมวันพระวันเจ้าหายพ่ อ, อนธรรมดาย่างสูงกับสัพพุท ธ, ธาส่วนสวดพ่อหงทั้งสายบาด ท, ทั้งสวดพ่อหงบ่มีนนปฏิปทาของหลวงปูง่วัหลวงปูง่หวันหล ง, งลพ่อเห็ุ ยืนปิ้นกุ่นป็้นก่อยมาใส่ผู้หนึ่งนกมือสวดสิตายไว้สันตนาเลียงข้ามแก่คนบอกขอรบพระหงพระพุทธเจ้ า, าว่าเดี๋ยวตั้งไห้สำรับสวดไทรบาทดอกวะสัตตั้งให้คนนั้ลึกคิดถึงวะสัตคนสวดเป็นกระละเทศช้าข้ารกนับถือวะสัั่ามันสำรับสิพรหงสิมาสวดไท่บาดวะัานา งสวดทั้งใส้บาดกองกลดกองกอยเป็นกลดปนกอยค้อยกแค่แยะวะสั้นผมมีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นียนีพระสันจังหันโยมมาสวดมนต์รนากับผมีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มหายังดำลมลัสมยนิ้่ไดนมีพระสันจังหันเนี่ยโยมเรามาสวดมนต์เบิกปากพระอยู่เนี่มมี สวดจึงหนผู้ภาวนาก็ามียห์นององมือสั่งธนวายกสวดสชิงผู้ากับสวดอยู่แต่ในบ้านผลมาสวดตายยังว่าสั่งนว่าของสั่งท่านนย้าไปสวดเขานิมนต์ไปสวดบ้านสวดเมืองโยมกับว่าได้ย่ยมกับว่าได้สวดมุน ไม่ยั่งพันเตสีรักสีรักสินหาเป็นพิธีก็นแล้วแจสิมาวาทึงทุติยาติตยา่าเจนชุดแล้วเสียให้พระสวดอีกบ่มีในปฏิปทาของหลวงปู่หมัดเพราว่าสักกนสู้ก็สวดเอาเองที้เราะว่าสั่นสู้จะไม่าพระนางฟังสู้สวดมนีนอย่างไรกันจะบนหัวของจักหลวงปู่ห ม, ม, นะมัดบ่มีในปฏิปทาของเพล่น